บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่เรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นโดยเนื้อหาสาระแล้วก็มุ่งที่จะให้จิตสงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าตั้งมั่นเป็นสมาธิ จากจุดของความตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นเองปริมาณความสงบว่าจะเพิ่มขึ้นจะมีปัญญาเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งปัญญาที่แหลมคมขึ้นก็จะยกเอาสัตว์เอาสังขารอาันพที่ตั้งแห่งการยึดมั่นถือมั่นของเรามาแต่ ก, ก่อนว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างขึ้นมาพินิจพิจารณา จนในที่สุดมองเห็นสตัตว์แต่สังขารเหล่านั้นเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างทียิบในช่วงแรกก็ดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูหยาบที่สุดก็ ด, ดูเกิดดูแก่ดูตายในการต่อมาก็ดูเฉพาะเกิดกับตาย ในการต่อมาก็ดูเฉพาะตายปรจิจล้วชีวิตเราเป็นเรื่องของขณะมีการตายอยู่ทุกขณะที่ตันเรียกว่าคณิกะมรณะเพียงแต่ว่ามีการเกิดดับกันอย่างต่อเนื่องแต่ละเด็กแต่การที่ใจคนไม่รู้แจ้งเห็นจริงแต่ความจริงที่มีอยู่ในชีวิตบุคคลทั้งหลายจะมีการบวเหมองประมาท เป็นการเพิ่มความยึดมั่นหรือมัน่นในเรื่องเหล่านั้นในเรื่องสัตว์และสังขารต่างหลายให้เพิ่งพูดมากยิ่งขึ้นก่อนนี้พระพุทเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระนุชเทระซึ่งมาได้กราบทูลแสดงความคิดเห็นของท่านว่ากนเป็นอาพูดว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องยากลึกซึ้ง แต่สมบตัวทันเองเห็นว่าเรื่องตื้นแล้วก็ง่ายต่อการที่จะทำความเข้าใจพระพุทธเภาครับสั่งว่าอันโกรอย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนั้นมีความลึกซึ้งและบีอาจดันลึกด้วยมีความลึกซึ้งด้วยตัวเองด้วยเพราะการที่ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงในกฎของปฏิจจสมุปบาท ทำให้เราและเธอทั้งหลายได้ต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นนานมากกระทําสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นเหตุในหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏจนนับประมาณไม่ได้คนนี้จะเห็นว่าที่จริงปฏิจจสมุบัตก็เป็นภาษาเป็นศัพท์เทคนิคทางวิชาการพุทธศาสนาเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ก่อนที่จะมีการเรียกชื่อว่าก็ชื่ออย่างไง ในพระบาลีเองก็เรียกชื่อต่างกันเป็นการเรียกตามอาการที่ปรากฏของสิ่งเล่านั้นพระบาลีระดับพระสูตรเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทประวัติธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยกันและการเกิดขึ้นอาศัยกันและการตั้งอยู่อาศัยกันและการดับไปครานี้บันสังเกตว่ามันก็ครอบคลุมสิ่งทั้งหลายในโลก ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยลาพังแต่เป็นการอิงอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดแมใ้ในการสืบสายสกุลวงการมีท่านผู้หนึ่งอยู่ในฐานะของเป็นปู่ทวดของคนรุ่นหนึ่งก็แสดงว่าท่านเป็นปู่ท่านเป็นพ่อของปู่ของคนรุ่นนั้น แล้วเป็นปู่ของพ่อคนรุ่นนั้นทำให้ท่านได้สถานะที่เป็นปู่ทวดการเป็นปู่ทวดของท่านก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยหากว่าไม่มีคนรุ่นเหลนท่านก็เป็นปู่ทวดไม่ได้และคนรุ่นเหลนจะมีปู่ทวดไม่ได้ถ้าไม่มีปู่ทวดก็แสดงว่าอิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ อาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการตั้งอยู่อาศัยการดับไปที่ตั้นใช้ว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทําให้เรามองเหตุไปทุกเรื่องว่าทุกเรื่องนั้นมันมาเกิดมาจากเหตุปัจจัยในการศึกษาพิจารณาพระเจ้าจึงทรงสอนธรรมะทุกกลุ่มมองเป็นในแนวของเหตุปัจจัยเช่นในการเกิดขึ้นของความทุกข์ที่เราสวดสาธยายกัน คนสายชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคําสวดที่เราสวดชาติความเกิดเป็นทุกข์เจรา ค, ความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์กวาปียาวเจ็นเป็นคําที่พระเจ้าทรงแสดงตั้งแต่ปฐ ม, มเทศนาคือในธรรมจักรวัฒนสุขแล้วข้อความตรงนี้ปรากฏทุกคนทุกแข่งเหมือนกันทุกคํา แม้จะไม่ได้ชื่ออย่างนั้นแต่อาการเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่ทุกขนทุกแห้งแม้ในประเทศที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาหรือนับถือาศาสนาอื่นและแม้แต่ก่อนยุคที่พระพุทธเจ้าจะบัติเคล็ในโลกนันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงหเห็นถึงสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นมันเกิดข้องมันอย่างนั้นเอง พิเจ้เองพอประสูติก็เข้าสู่กระบวนการสมนี้โปร่งมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายทีเ่เดียวกันแต่บอดีทรงเป็นพระพุทธเจ้าภาษาที่เรียกมันก็ต่างกันไปหน่อยแต่จริงแล้วก็คือความแตกดับของชีวิตตรีนั่นเองลักษณะเหล่านี้ทรงสอนในกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วแต่ว่าจะพูดกับใครระดับใดจะพูดตังการเกิด ถ้าพูดธรรมดาแบบศิลธรรมจัร ญ, ญาต้องการจะให้คนอยู่ร่วม ก, กันด้วยความสำนึกถึงอุปการคุณต่อ ก, กันเป็นคนดีภายในสังคมภายในโลกสงสารง่ายๆว่ามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดบุติดานั้นเกิดขึ้นมาจากมารดาบิดาจะต้องมีความกตัญญู เราแสดงยกจ้องสถานะของมารดาบิดาไว้เป็นอนเอกนั้นภาษาที่นํามาเรียกขานตรงนั้นเป็นภาษาที่คนเข้าใจแล้วภาาทาละจริงๆเป็นอย่างไรบุรพาจารย์เป็นอย่างไรพรหมเป็นอย่างไรมิต ร, ร, ร, รเป็นอย่างไรจนถึงพระอรหันต์เป็นอย่างไรผู้ฟังก็เกิดความเข้าใจ นี้แสดงเห็นว่าแต่ละฝ่ายนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันแลกกันการที่ตนเป็นลูกได้ก็เพราะว่ามีพ่อแม่การที่ท่านเหล่านั้นเป็นพ่อแม่ได้ก็เพราะมีลูกได้พูดระดับศีลธรรมจัญญาก็พูดขนาดนั้นแล้วก็เน้นย้ำให้คนปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยความอื้อเฟือพ่อแม่มีลูกมาแล้วควรจะทำหน้าที่อย่างไร เพราะไรราพ่อแม่ปรารถนาความเจริญเติบโตของลูกปรารถนาให้มีให้มีลูกชิดดีมีลูกที่กระตันยูเป็นอภิชาตตบุตรแต่การที่ลูกจะเป็นอย่างนั้นมันต้องเพิ่มเหตุปัจจัยขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้เกิดมาแล้วก็ลูกจะเป็นอภิชาตตบุตรแล้วพ่อแม่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยเป็นระดับเสริมกระชับความรักความมุ่งดีความปรารถนาดีความเคารพนับถือ ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของลูกซึ่งล้นนี้จะกลายเป็นเหตุปัจจัยที่มีความต่อเนื่องเพื่อความดํารงอยู่ของลูกที่มีความกตัญญูเพราแม่ได้มีความรับผิดชอบมันก็ทํานองคล้ายๆกับการดํารงอยู่ของชีวิตจะต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆและเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเหล่านั้นก็ต้องต่อเนื่อง หรือไม่จะทําครั้งเดียวแล้วก็จบรับประทานอาหารก็ต่อเนื่องหายใจเข้าออกก็ต่อเนื่องบริหารร่างกายก็ต่อเนื่องทํางานก็ต่อเนื่องชีวิตมันดำรงอยู่ได้พระเด็ปัจจัยที่จะให้เกิดความรักความปรารถความนับถือความศรัทธาการเชื่อฟังจนถึงกระ ท, ทัทูลบูบบชาการบูชาก็ต้องมีความต่อเนื่องเป็นการกระทําดีซ้ําแล้วซ้ําอีกในจุดเดียวกันในประเด็นเดียวกันโดยพื้นฐานอย่างเดียวกัน เพราะเราจึิงเพราะว่าคำสอนที่ทรงสั่งสอนแม้ค น, นนับถือศาสนาอื่นก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นและแม้แต่สัตว์ในรร่ฉานบางประเภทเขาก็ปฏิบัติเขาอย่างนั้นเพราะไรเพราะเป็นคุณธรรมเป็นมโนธรรมสัตวกที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมปานาเพียงแต่ว่าพระเจ้าทำมาตอกย้ำ มันเน้นให้คนได้สนักแล้วก็มีความรับผิดชอบในภารกิจหน้าที่ตรงนั้นถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติมารดาบิดาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ลูกที่ดีซี่พีความกตัญญูต่อไปตัวเองก็จะเดือดร้อนลูกก็จะกลายเป็นลูกที่อกตัญญูเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการไม่ปรารถนาพนเพื่อ สร้างเหตุปัจจัยคือกูลด้วยการของบุคคลทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ทาหน้าที่เป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาโดยทรงวางหลักเป็นรูปที่สากดเมื่อเราจะไปอ่านคำพีพระพุทธศาสนาที่ใดก็ตามคำสอนเรลานี้ลงตัวคือใช้คำอย่างนั้นตลอดพาะแม่มีลูปมาแล้วต้องแสดงความรักความปรารถนาดีต่อลูก โดยการอบรมแนะนําสั่งสอนห้ามปรามแม่ลูกทําความชั่วทั้งป้องกันทั้งขจัดและส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกทําความดีทั้งการเพิ่มพูนรักเพิ่มพูนความดีและการรักษาความดีเป็นยังว่าสองอย่างนี้ก็ต้องต่อเนื่องต้องพูดกันบ่อยๆต้องให้สติแตกเกิดบ่อยๆ บางครั้งลูกยังไม่ทำก็พูดตรามาเอาไว้ต้องป้องกันเอาไว้บางครั้งลูกเป็นเป็นไ ป, นปนแล้วก็ต้องขจัดปัญหาตรงนี้ออกไปความดีเป็นนั้นมากก็จะ ต, ต้องมีการยกย่องส่งเสริมสนับสนุนขึ้นก็นเพื่อลูกได้คงความดีตรงนั้นเอาไว้แต่พูดหลไนั้นก็แล้วการพูดอะนั้นก็พูดแล้วพู ด, ดิด ถ้าเรากลับมาดูที่โครงสร้างของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนถึงสังเกตว่าในการเรียนการศึกษาการสดับต่ฟังมนั้นแม้แต่ท่านที่เป็นพระหรันท่านก็ต้องเรียนต้องฟังอย่างในทานในสูตรที่กล่าวไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วเป็นธรรมเทศนาที่พระเจ้าสอนเรื่องทานแก่ภาษาริบุตร สาริบุเป็นพระหันรองลงมาจากพระพุทธเจา้ามีความจำเป็นไม้ที่จะสอนเรื่องทานท่านไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติแต่ท่านจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อ น, นำหลักธรรมเหล่านั้นไปประกาศชี้แจงแสดงสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายในการโอกาสอันสุขขวนด้านการอบรมสั่งสอน ใ, ในแนวนี้จึงเป็นเรื่องที่ต่อเ น, นื่อง เรียก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ต่อเ น, นื่องกันไปให้มีการศึกษาศิละปะวิชาตกแต่งให้มีครอบเป็นครัวเป็นฝังเป็นขวา เ, เ, เป็นหลักเป็นฐานอันนี้ก็ไม่ใช่จบตรงนั้นก็มีความต่อเ น, นื่องมีการดูแลอยู่แล้วก็จบลงที่การมอบทรัพย์สมบัติให้ก่อนที่ตนจะตายจากไปคือแม้จะตายไปแล้วก็ทำเบปีในกรรมเป็นตน มันแสดงให้เห็นว่าแม้จะตายไปแล้วใจก็ยังรักยังวหวงใยยังปรารถนาดีปรารถนาความเจริญก้าวหน้าของลูกตนเป็นธรรมปฏิบัติที่จะถามว่าค ร, ริสทําไหมเซรามธรรมะฮิดูทําไมก็ทําทั้งนั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องฟังจากพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมชาติธรรมรบัและเย็นว่าอาการเหล่านี้บางทีแม้ในสัตว์ดิแรนทั้งหลาย มันก็มีการประพฤติไิการกระทำโดยเฉพาะอย่างนี้คือการป้องกันลูกตัวเองการฝึกปลุกลูกคนตัวเองแม้ในบูชาเขาก็ทำเท่าที่เขาทำไปได้ลูกเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็ต้องสร้างเหตุข้างปัจจัยเราจะเห็นภาพของการเชื่อมโยงกันระหว่างการทั้งสามแล้วก็การกระทำของบุคคลทั้งหลาย คนที่เกิดมาก่อนเรียกปอบันไปชนคือคนที่เกิดก่อนชนะก็คือเกิด็ แ, แสดงว่าท่านที่เกิดมาก่อนท่านที่เกิดมาก่อนท่านก็ดูคนที่เกิดก่อนท่านเองก็ดูกันมาเ้ด้วยเป็นการสืบสารสิ่งดีงามมีการสั่งสอนมีการแนะนำมีการอบรมให้รู้มีคนรุ่นก่อนปุญาตาทวด การปฏิบัติโทษเขาท่านให้ดูเป็นตัวอย่างพ่อแม่ที่ดีเป็นยังไงคนมีศีลเป็นยังไงคนมีธรรมเป็นยังไงคนขยนันเป็นยังไงท่านก็ทําให้ดูและบางท่านก็เป็นหลักให้เห็นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความสงบเด็กว่าพูดดีทดําดีคิดดีทั้งหมดที่ยิงก็เป็นการถ่ายทอด ธรรมะออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นคำพูดต่างบ้างเป็นการแสดงออกบางที่เราใช้คำว่าภาพพจน์ภาพก็คือคำพูดแต่แกการสอนให้รู้ภาพก็คือการทําให้ดูทําให้ดูเป็นตัวอย่างพูดให้ฟังทําให้ดูปฏิบัติงานต่างๆให้ดูปฏิบัติทำมาให้ดูนั่งสมาธิเป็นยังไงเดินจงกรมเป็นยังไง นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งยังไงก็มีการทำให้ดูเป็นตัวอย่างจนถึงก็อยู่เป็นแบบอย่างให้เห็นเป็นวิถีชีวิตให้คนเห็นด้วยตาเกิดความประทับใจเป็นควา ม, ม, าวามดืกดํำขึ้นไปในจิตใจแต่แน่นอนว่าคนเหล่านี้ก็ต้องมีพื้นฐานภายในใจของเขาลักษณะเหล่านี้เราก็รับมาจากบรรพชนในอดีต การปฏิบัติของเราในขณะปัจจุบันก็มีคนมองอยู่ข้างหลังก็เรียกว่าอนุชนเราเองก็เป็นบันรพชนของอนุชนแต่เราก็เป็ น, นเป็นอนุชนของบัรพชนเราก็แสดงว่าแต่ละคนน่ะเป็นทั้งสองอย่างเมื่อเทียบกับคนหนึ่งเราก็เป็นอนุชนเทียบไปอีกคนหนึ่งเราก็เป็นบันรพชนมีการถ่ายทอดมีการสื่อสารกันมาอย่างนี้ จะหมายความว่าแต่ละฝ่ายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันเป็นการสืบสารสิ่งที่ดีงามให้สืบต่อกันไปแต่เนื่องจากวิถีชีวิตของคนมันก็อยู่สองกระแสคือกระแสของกุศลกระแสของอกุศลคนในโลกก็มีคนโง่กับคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดกุศแลแธรรมแปลว่าธรรมที่ทําคนให้ฉลาด ก็าสามารถเสริมสร้างความสสดีให้แก่ตัวเองได้เพราะองค์ธรรมโดยรวมที่เราพูดง่ายๆว่าทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเป็นกุศลและธรรมเป็นธรรมะของคนผู้ฉลาดคือพู้เจ้าในฐานะเป็นธรร ม, รมราชาทรงเป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ก็ทรงประกาศสั่งสอนแล้วคนที่น้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็เชื่อเป็นคนฉลาด เพนอกจากสามารถสร้างความสวัสดีแก่ตัวเองแล้วยังอาศัยคุณสมบัติดาวนัดปฏิบัติคือคกูนแก่บุคคลอื่นอีกประเด็นหนบบึ่งเช่นว่าลดเว้นจากการเมตตาแล้วลดเป็นจากการฆ่าสัตว์แล้วยังมีใจเมตตาต่อบุคคลอื่นทั้งหลายแล้วก็แสดงออกไปโดยลำดับอกุศลนั้นแปลว่าโง่รหรือไม่ฉลาดเป็นธรรมที่ทําให้คนโง่หรือเป็นธรรมของคนโง่ เรียกว่าอาันสัตย์บรุทธิ์ใครไปเพื่อปฏิบัติแล้วก็ยิ่ ง, งแสดงวโ ง, ง่เพราะว่ามีแต่วความเดือดร้อนทายเดียวแต่ว่าคนเป็นอันมากที่ขาดปัญญาเป็นเรื่องเห็นประจักษ์ถึงความจริงถึงกุศลอกุศลดนี้ถ้าได้จะเดินไปบนกระแสของกุศลเขากุาออศาเดินไปบนกระแสของอกุศล มีตัวอย่างบุคคลให้เห็นว่าประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรติดคุกติดตารางอย่างไรคนชอโกงคอรับชั้นโกงกินมีความเดือดร้อนเไป็นอย่ตกต่ำเป็นย่งไนเสียหายในแต่วงศ์สกุลเปไ็นองลูกหลานสู้หน้าชาวบ้านเขาไม่ได้อย่างไรเรามีข่าวได้เย็นเมืองไทยเราก็มียะลูกหลานอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศก็มีแย้แล้วก็มีข่าวได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอด แต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่สานึกหลาบจำเพราะไรเพราะเของโง่เขาไม่ฉลาดก็ทำอะไรไปตามกระแสะของอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เขาและกับคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเพอพอลูกเองมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันพ่อแม่เองก็มีอย่างนั้นเหมือนกันทำทำให้พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงว่าบุคคลสองกลุ่มกลายเป็นคนบุคคลที่หาในยาก คือบุปการีบุคคลคนนี้ทําอุปการะแก่บุคคลอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจแต่ทได้วจิตวิญญาณจริงๆพ่อแม่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นพ่อแม่ก็หาได้อย่างส่วนลูกที่มีจิตวิญญาณของความเป็นลูกมีความสํานึกอุปการะคุณในฐานะแม้เพียงผู้บังเกิดเกล้าอย่างเดียวแต่ถือว่าเป็นบุญคุณล้นหัวล้นก้าวแล้ว พ่อแม่อาจจะไม่ได้เลี้ยงดูอาจจะตายไปก่อนไอา จ, จะมีเหตุอะไรก็ตามทํานไม่เลี้ยงดูแต่ว่าเพียงผู้บังเกิดก้าวก็ให้ความเคารพนับถือเทิดทูนบูชาหรือสิ่งอื่นใดแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าบางคนฉลาดสามารถมองเชื่อมต่อถึงความเป็นชีวิตความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆมันสุดเนื่องมาจากการที่เรามีชีวิต แต่เราไม่มีชีวิตสิเหนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ลาบยศสรรเสริญสุขเป็นคนต้องการลคายปรารถนาพอใจมันสืบเนื่องมาจากการที่เรามีชีวิตถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วลาบยศสรรเสริญสุขมันก็มีไม่ได้กเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้เพราะการให้ชีวิตจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญถ้ามืใครให้ชีวิตคนเรานั้นก็จะนึกไปถึงพ่อแม่ พ่อแม่กลายเป็นผู้บังเกิดกล้าเป็นผู้ให้ชีวิตที่เป็นคนมาแต่พ่อแม่เกิดเป็นแมวเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนก็ภาคภูมิใจสุขใจตื่นตานทราบซึ้งในคุณอูปการตรงนี้เท่านั้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ไปได้แล้วและท่านเหล่านี้ถ้าสำนึกคุณในแต่ระดับดําก็จะบังเพ็ินตนไปตามกรอบที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็ไม่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพุทธเท่านั้น ก็เป็นธรรมะที่เป็นมากาที่มันเป็นจิตวิญญาณอยู่ภายในสํานึกของบุคคลเหล่านั้นเป็นการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เมื่อท่านแก่เจราดลงท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วก็สํานึกถึงอุปกรารคุณก็เลี้ยงดูท่านต่อจะแบ่งเบาภารกิจการงานของท่านจะดํารงสกุลทำตัวได้เหมาะสมแก่ความเป็นทายาทของสกุล จนถึงกรท่านลมหายตาจากไปแล้วก็ทําบุญอุทิกุสนส่งไปให้แต่เราเห็นว่าการกระทําอย่างนี้ที่จริงไม่ใช่ข้อยุติว่าลูกจะมีโอกาสทำบุญกุุธิกุสนส่งไปให้แก่พ่อแม่เสมอไปมีพ่อแม่เป็นอันมากที่เผาลูกคนแล้วคนเราตัวเองยังอยู่การทําบุญกุทิกุศลให้นั้นเป็นหน้าที่รวมหมายความว่าคนทุกคนเมื่อสํานึกถึงอุปการคุณทังความดีงามความเกี่ยวข้องผูกพันระวังตนกับคนที่จากไป ปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญแก่คนที่จากไปแล้วก็ทําบุญดูที่กุศลให้แก่ท่านธรรมะปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทยอยกันมาเป็นคลื่นตั้งแต่อดีตการนานไกลมางทีดังก็เรียกว่าธรรมะของโลกหมายความว่าถ้าโลกขาดธรรมะเหล่านี้โลกมันก็อยู่ไม่ได้คนแก่ก็จะถูกคนรุ่นเด็กชิง เด็กรุ่นใหม่เกิดเมื่อกี่รุ่นก็ตามพอตัวเองแก่ลงก็จะทิ้งคนแก่พอพ่อแม่ตัวเองแก่ลงก็จะทิ้งคนแก่พอตัวเองแก่ลงก็ถูกลูกหลานทิ้งกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ปัญหาสารพัดปัเหตุปัจจัยตรงนี้เป็นเหตุปัจจัยะระดับศีลธรรมจัญยาแต่ก็มีการสืบสาร มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการสื่อสา ร, าาราต่อกันมาก็าสร้างความสงบเย็นให้แก่บุ้คลทั้งหลายปัญหาสำคัญพอเริ่มต้นได้สักจุดหนึ่งมันจะกระจายตัวเองออกไปเช่นพื้นฐานความกตัญญูกตวเวทีเป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นภายในจิตจะจับมาที่พ่อแม่ก่อนกลายเป็นลักษณะนิสัย เป็นพื้นเพเป็นอัธยาศัยที่หนักในความกตัญญูกะตะเวจีมันเกิดจากมองเราไปเชื่อมกับคนอื่นถ้าไม่มีคนอื่นเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไปได้มองไปที่โรงเรียนก็มีบุปการีบุคคลอยู่มากมายกายกองสืบสาวไปจนถึงราชดอนผู้เสียภาษีให้มาแก่รัฐแล้วไปที่รัฐ จะเกิดความรักประเทศชาติประชาชนเพราะสานึกอุปการคุณของท่านเหล่านั้นและท่านเหล่านั้นไม่เสียภาษีรัฐไม่ได้จัด ก, การศาึกษาเราก็ไม่คงไม่มีโอกาสศาึกษามองไปที่ถนนน้นทางมองไปที่ยานพาหนะต่างๆมองไปทุกจุดมีบุคคลอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นมีบุปการีบุคคลอยู่เบื้องหลังตัวเร่างว่าตัวอย่างที่เรานํามาพูดกัน ราธะเป็นพรามเชราต้องการจะบวชไม่มีคนบวชให้เห็นว่าเป็นคนแก่วาดือยวายอยากสอนอยากพระภูมิประปราพาทเจ้าวสเสด็จไปพบข่าวสอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วก็รับสั่งแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าใครคิดถึงอุปการะของราธาพรามได้บ้างไหมพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้ ข้อหนึ่งข้าพระองค์ไ้บินทบาตในกรุงราชครือท่ า, าพระไอรราธาพราหมณ์ได้ตากบาทให้แก่ข้าพระองค์หนึ่งทัพพีเรื่องนานมาแล้วแต่ในสุดพระสา ร, รีบุตรกรับจัดการบวชให้ดูแลเอาใจใส่อย่างดีฝึกปรืออบรมจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันไม่ใช่ระดับธรรมดาเป็นระดับที่เรียกว่าเอตทัทธะซึ่งมีอยู่แค่สีส่ ส, ส, สารูปแล้วนั้นเองเวลาท่าก็กลายเป็นหนึ่งใน4 3่ ส, สรูป จนถึงพูดถึงการพักตามร่มเงาของต้นไม้ในอัตถกถาชาดกในตัวชาดกท่านได้กล่าวว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดเมื่อควรหักทําลายกิ่งของต้นไม้นั้นพระบุคคลผู้กระทำเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประทุษรายตบิทคนประทุสรายนี้ท่านเป็นคนเลวทราม เป็นการนั่งนอนอาศัยร่มเงาของต้นไม้เพียงช่วงขณะเท่านั้นเองแต่เราก็รับความร่มเย็นในการพักเหนื่อ ย, ยการพักผ่อนอยู่ในสถานที่นั้นระยะหนึ่งต้นไม้เ่าั้นก็มีอุปกรณ์ต่อเราเป็นการฝึกจิตใจทีละเม็ดทละไม้ลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจ ได้พูดเป็นโครงสร้างว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดจะบังเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นมันเป็นอัญมณีอัญปัะกาศคือเป็นปัจจัยของการละกันเช่นเดียวกันการมีธรรมะอยู่ภายในใจมันก็เหมือนกับมีแสงสว่างเช่นว่าเรามีไฟฉายในมือต้องการจะดูตรงไหนตรงหนึ่งเมื่อแสงสว่างมีแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องดูเฉพาะตรงนั้น ดูตรงไหนก็ได้ผมก็เห็นหม่อแกนแล้วก็อาศัยแสงสว่างเหล่านั้นส่องไปในที่ต่างๆแล้วก็จะรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงได้ประเด็นของธรรมะจึงอยู่ที่ให้มีธรรมภาคปฏิบัติท่านจึงพูดถึงมีมีสีลมีสติมีหิริมีอตุตตปามีเมตามีขันติมีอะไรต่างใช้คว่ามีแต่นั้น เพราะถ้ามีเป็นเชื้อเป็นพื้นฐานอยู่แล้วธรรมะที่เป็นพวกเดียวกันอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงคราวจะต้องใช้แล้วรู้คล้าไม่มีแต่ถึงคราวจะใช้บางก็มีหมายความวม่าอย่างไงหมายความว่าธรรมะนั้นพื้นฐานส่วนหนึ่งก็อยู่ในชีวิตจิตใจของเราแล้วเพียงแต่ไม่มีโอกาสใช้ก็ไม่แสดงตัวออกมาเมอถึงคราวจะใช้ก็แสดงตัวออกมา แล้วเจนวัชธรรมะคือขันติความอดทนอะไรเป็นต้นมันก็มีมาตั้งแต่เด็กๆพอเกิดปัญหาขึ้นมาเธอโกฏิทนไ ด, ดทนได้ระดับหนึ่งพอทนไม่ได้เธอก็แสดงออกมาก็แสดงว่าเธอผ่านการอดทนมาแล้วแต่ขันติมันมีกำลัง น, น, น้อยก็ทนได้เท่านั้นแหละต่อมาทนไม่ได้ก็แสดงอาการทนไม่ได้ออกมาจึง ก, การร้อ ง, องห่มร้องไห้เป็นต้นคนเด็กเล็กๆแต่เมื่อบุคคลเพิ่มภูมขึ้นมาหนักเข้า ขนาดนั้นก็ทนได้เกินกว่านั้นหน่อยก็ทนได้และเกินกว่ามากขึ้นก็ทนได้แต่ถึงจุดหนึ่งก็ทนไม่ได้อีกธรรมะจึงต้องเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถทนทานต่ออารมณ์ได้เป็นอัตโนมัติมีอะไรก็ตามเกิดขึ้นก็สามาร ถ, ถอดการอดทนได้ไม่วันไว้ไปตมามอำาจอารมณ์อดนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสมงบสืบต่อไป